มาเจริญกรรทุท่านพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งสองเดือนนะี้เดือนหนเดได้ภาวนาไหมใครปฏิบัติทุกวันบ้างยกมือซีใครนานๆทำจีมีไหมดีกว่าไม่ทำ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 ตันหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วต่อไปเนี้ยสร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้เรือนเก่าเราก็ทำลายไปแล้วเรือนคือก็คือพบนั่นเองพบก็คืออะไรคือการที่จิตใจมันดิ้นรนคือความการทำงานทางใจเป็นพบการทำกรรมของจิตนั่นเองมีความจงใจที่ดีบ้างที่ชั่วบ้างมาปรุงสร้างพบขึ้นมาภายในใจมันหมุนติ้วเตี้วติ้ว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 ทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะถูกบีบถูกเค้นนดัง้ใจไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสงบเราก็ต้องค่อยๆสังเกตนะค่อยฝึกด้วยวิธีของพุทธเจ้าจนทำลายกิเลสทำลายตัณหาเด็ดขาดใจก็ไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกคุกคานะจะไม่ดิ้นรนนะใจเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง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 แล้วนะถ้าบา ร, รมีเราพอเนี่ยมรคมันเกิดมรคลไม่เกิดในภพหรอมกมรคลไม่เกิดในภพงั้นยังเจตนาอยู่มรคลไม่เกิดหรอมกมรคลเกิดตอนที่ไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นะเราทำมรคลให้เกิดไม่ได้เเจตนาทำเนี่ยทไม่ได้แต่อาศัยเจตนาก่อนเจตนารักษาศีลเจตนาฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเจตนาเจริญปัญญา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 ที่ไปเทียบเขาเทียบเราเป็นไปเพื่อกิเลสอีกใจกายกูเหนือกว่าคนอื่นใครทำในรูปแบบทุกวันบ้างยังมงิมีไหมสงบบ้างไหมตั้งมั่นไหมเวลาปฏิบัติเรื่องของจิตใจมันก็มีสองอันมีความสงบก็มีความตั้งมัน่นสงบก็อยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร่ไป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 มันเห็นจนมันถองแท้รามันทีจะตัดเบื้องต้นอาศัยความจงใจอาศัยการทําดีก่อนเจตนาละชั่วเจตนาทําดีก่อนเบื้องปลายเนี่ยพอจิตมันคุ้นเคยกับการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาและไม่ต้องเจตนามันเป็นอัตโนมัติพอตรงถึงจุดที่เขาอัตโนมัติเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่นานมีโอกาสแล้ว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 แต่เบื้องต้นก็ตรงจงใจตั้งใจนะตื่นนอนมาก็ตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าก็ตั้งใจก่อนที่กินข้าวกลางวันก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจวันนึงหลายๆรอบเป็นการเตือนตัวเองให้มีศีลนะต่อไปเวลามันจะทำผิดศีลมันจะละอายใจแล้วก็ค่อยๆฝึกสติขึ้นมาสตินี่เป็นของสาคัญที่สุด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 ของฟรีไม่มีทุกอย่างต้องลงตุลลงแรงด้วยตัวของตัวเองทท้งนั้นเลยใครก็มาให้เราไม่ได้แนละ้วสติต้องฝึกเอาเองนะศีลสมาธิปัญญาก็ต้องฝึกเอาเองที่กิเลสก็ไม่มีคนอื่นให้เรานะเราก็ฝึกของเราเองเคยเห็นไหมคนบางคนสาวๆนะไม่ค่อยบน่นอยู่ไปจนแก่แล้วขี้บน่นะทำไมขี้บ่นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าชั่วโมงฝึกปลืมันสูงขึ้นนะนะ หรือตาเท่าหนุมหนมๆไม่ค่อยเจ้าชู้เคยเจ้าชู้สักลายหนึ่งสักครั้งหนึ่งต่อไปขยันเจ้าชู้ชํานานขึ้นนีฝึกปรือพลังฝึกปรือมันเพิ่มขึ้นฝ่ายชั่วมันก็ฝึกปรือนะฝ่ายดีเราก็ต้องฝึกเหมือนกันวิธีที่จะฝึกให้เราเกิดสติบ่อยๆทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะกรรมฐานในไก่ก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงหลวปูเหรียญ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 แล้เราหายใจเปลี่ยนจังหวะขึ้นนิดเดียวหายใจแรงขึ้นนิดเดียวนะสติจะกลับมาเองเลยค่อยๆฝึกไปนะจนสติมันเกิดขึ้นสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นนะสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเองต้องเห็นบ่อยๆมันถึงจะจําแม่นนะอย่างเราหัดดูจิต ด, ดูใจของเรานะคนไหนขี้โมโหเราก็หัดดูความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธหายไปรู้ทัน คนไหนขี้โลภเราก็หัดดูนะความโลบเกิดขึ้นรู้ทันความโลบหายไปรู้ทันคนไหนช่างฟุ้งซ่านนะก็คอยรู้ทันใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจไม่ฟุ้งซ่านก็รู้นะคนไหนชอบหดถู่ก็รู้เรานะบางคนชอบหดถู่ใจหดถู่ขึ้นมารู้เอานะใจหายหดถู่รู้เอาหัดรู้ บ, บ่อยๆหรือบางคนหัดดูความสุขความทุกข์นะ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 เวลาเกิดความสุขในใจขึ้นมาแวบขึ้นมาเนี่ยสติเราลึกขึ้นมาเองเลยว่าโอ้มีความสุขเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้ได้เองก็งเราเบื้องต้นเลยนะอันนี้ต้องฝึกทุกคนเลยพอเราฝึกชำนี้ชำนาญขึ้นมาแล้วอาศัยสตินี่เองมาพัฒนาให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องให้เกิดปัญญาใช่หไหมหลวงพ่อมีคําว่าศีลใช่ไหมสมาธิต้องมีคําว่าที่ถูกต้องศีลเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วล่ะสมาธินเนี่ยอาจจะผิด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 ต่อไปพอได้สติแล้วนะบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตนะสติชาบรู้กายเห็นใสรักของกายสติรู้จิตเห็นใจรักของจิตเห็นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาทั้งกายไม่ได้เอาทั้งจิตนะแต่เอาให้เห็นใจรักเอาให้เห็นความจริงงั้นสายโน้นใสนี้ไม่มีนัยยะอะไรเท่าไหร่หรอกนะเป็นแค่จุดตั้งต้นของการฝึกเท่านั้นเองถนัดดูกายก็เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัว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 มีสติแล้วเราก็มาพัฒนาต่อนะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตไปนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันนะรู้จักกิเลสไหมโลภหลงพวกเรารู้จักทุกคนอะนะนะรู้ก็รู้ได้นะแต่ไม่อยากรู้เวลาราคาเกิดเวลาความโลภเกิดนะเราไม่ดูว่าใจมีราคะเราไปดูของที่เราชอบดูคนที่เราชอบเอี่ยงเราเห็นสาวสวย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 จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจ น, นเรียกว่าอุทัจจ์อุทธัจจะจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนทชักจงหงุดหงิดนี่เป็นอุดกุก จ, จับแล้วก็คิดมากคิดมากสงสัยมากใจก็โม่แต่คิดค้นคว้าหาคำตอบมีวิจิกริชาคิดมากหรือฟุ้งซ่านมากหรือมีราคามากมีโทสามารถสุดท้ายก็หมดเรี่ยวหมดแรงจิตซึมไปโดยเป็นทีนมิตระ เนี่ยเป็นกิเลสระดับกลางนะเรียกว่านิวรณ์ก็อาศัยสตินี่แหละ ร, รู้ทันใจเราหลงรักเรารู้ใจเราเกลียดเรารู้ใจฟุง้งซ่านรู้นะใจหดหู่ก็รู้ใจลังเลสงสัยก็รู้รุ่มไปด้วยทันทีที่สติเกิดนิวรณ์ก็ดับเหมือนกันเพราะนิวรณ์เป็นกิเลสนะเอนิวรณ์ดับสมาธิเกิดอัตโนมัติศัตรูของสมาธิคือนิวรณ์นะถ้าเมื่อไหร่จิตไม่มีนิวรณ์เมื่อนั้นจิตมีสมาธิ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 ดูกานะเพื่อให้เห็นจิตนะท่านสอนอย่างนี้นะดูไกายนะี้เพื่อให้เห็นจิตนะวัตถุปรนะสงค์ของการดูไกาเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเพราะธรรมแสดงตัวอยู่ที่จิตนะธรรมมีอะไรบ้างอากูสโตรธรรมเกิดที่จิตใช่ไหมกูสโรธรรมเกิดที่จิตนะโลกุตรธรรมก็เกิดที่จิตเองมรรคผลเกิดที่จิตเนี่ยทีแรกหลวงพ่อก็สงสัยนะทวนากระหลวงปู่ดูลนะก็เข้าใจนะสิ่งที่ท่านสอนลนะ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 หลวงปู่ครับผมต้องย้อนมาดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองแบบสมเพจนะะท่านก็บอกว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตกายเป็นของทิ้งเอาอะไรกับมันนะจอดมาเข้ามาที่จิตนะกายมันทิ้งนะทิ้งกายไปแล้วมันถึงเข้ามาที่จิตนะครูบาอาจารย์สอนมาให้ดูกายเพื่อจะเข้ามาที่จิตถ้าถึงจิตแล้วก็ดูที่จิตนี่นะดูจิตไม่ได้หรอกต้อยากไปที่กาย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 ท่านเลยรู้เลยท่านเลยสอนเลยว่ามาดูกายเนี่ยพี่นาคกายไปเรื่อยๆนะสลายกายไปหมดก็มาที่จิตนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องบางกายนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องบางกายหลวงพ่อสุจินท์ลูกเสร็จหลวงปู่หลุยนะแต่เสร็จแล้วมาบวชกับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็สอนต่อว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตงั้นที่ท่านดูกายกันเนี่ยก็จะเพิกกายออกปล่อยวางไปนะสลายไปทิ้งไปเลยเข้ามาที่จิต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 ถ้าเห็นตัวทุกข์ได้แล้วก็จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจท่านถึงบอกว่าถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมธรรมะตัวนี้คือโลกุตตรธรรมนะต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์ทุกอยู่ที่กายเห็นกายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยเมืหมดความยึดถือกายได้พระอนาคามีถ้าเห็นจิตนะว่าจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยนะหมดความยึดถือจิตนะนั้นที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเอง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 แค่เรายืนบนรถไฟหรือรถไฟวิ่งไปแปดสิบโลอย่างเหนื่อยเลยเนาะนี่ท่านเดินทิดดูนะถ้าเดินเดินเร็วเร็วอะชั่วโมงหนึ่งได้หกโลเจ็ดโลนะเด้มาละสิบเกินสิบสองชั่วโมงแนละเดินเดินทรมานมากเลยแล้วท่านวัดสรุปเลยบอกว่าโอ้ผมรู้แล้วล่ะปัญญามันปิดบังปัญญาบอกมันเป็นยังไงปัญญาปิดบังปัญญา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 เราคิดมากจกจนกระทั่งเราคิดว่าอยู่ใกล้ไกลนี่ผ่านอยู่ต่อหน้านะนิ่ผ่านอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองเนะมื่อไหร่จิตไม่ยึดในรูปธรรมไม่ยึดในานามธรรมนะนิ่ผ่านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะถ้าเราชํานาญสมาธิจริงๆนะดูแล้วคงเล่นไม่ได้พวกนี้เราพวกเล่นสมาธิจริงๆหลวงพ่อเคยพาพวกเล่นสมาธิดูนะอ้าว ทำสมาธิที่ใช้รูปธรรมเป็นอารมณ์สิก็จับลมจิตอยู่ในรมณ์เดียวทิ้งรูปธรรมสิทำสมาธิที่ใช้นามมาทาเป็นอารมณ์นะนามธรรมาเช่นความว่างความไม่มีอะไรความว่างเนี่ยจับความว่างสังเกตไหมมันมีตรงกลางไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นา ม, มาธรรม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 รูปก็ดีอารูปก็ดีนะเออจะจับอย่างนั้นค่อยรู้ไปนะไม่ต้องหัดก็ได้นะไม่เหมาะอะไหลายคนเพราะว่าหน้าตาเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้สมาธิอะไรมากมายหรอกนะเส่วนใหญ่จะเป็นฟุ้งเก่งคนไหนมีความฟุ้งส่น้นเป็นอาผ่อฟุ้งทั้งวันมีไหมไม่ต้องไปคิดนะเรื่องสม า, สมาธินะชาญเชิญอะไรไม่ต้อง เอาของที่เรามีนะดูของที่เรามีเรามีอะไรเรามีร่างกายเรามีความรู้สึกเนะี่ยดูอย่างนี้ไปด้วยนะเด ว, วันหนึ่งก็จะเห็นไม่มีเรานะต่อไปก็เห็นว่าไอ้ที่มีมีแต่ทุกข์พอเห็นทุกข์แนละจิตจะวางเนี่ยเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมธรรมะอันนี้ก็คือนิพพานนะจะเห็นเองฝึกไม่ฝึกไม่มีทางนะฟังอย่างเดียว ไม่ปฏิบัติไม่ได้กินหรอกต้องปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้มากๆด้วยทุกวันต้องทําไม่งั้นกิเลสเอาไปกินหมดนะกิเลสนะ่ยขยันที่สุดเลยไม่มีวันลาพักร้อนเลยนะกิเลสนะพักผ่อนประจําปีไม่มีไม่มีลากิีไม่มีล า, าป่วยเลยกิเลสเนะี่ยส่วนพวกเราลาเก่งใช่ไหมการปฏิบัติเดี๋ยวตอนนี้ขอลาไปเที่ยวก่อนขอลาไปดูหนังก่อนขอลาไปโน่นไปนี่ก่อน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 สามีทิ้งอะไรเงี้ยธรรมดาตัวเรายังไม่มีเลยไม่ทุกเท่าไหร่ทุกนิดหน่อยทุกเพราะแค้นใจเมืงหักหลังกูขนาดว่ากูไม่มีนะเอา้าส่งกันบ้านนมัสการขันพ่อฟังซีดีพ่อมาประมาณเกือบสามปีมคือครั้งแรกที่ฟังนี่คือ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 คือสภาวะอย่างนั้นมันคือสภาวะจิตม่เข้าสมาธิ<ห> น, นะเป็นเรื่องของสมาธิแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่เราดูเวทนาเนี่ยเราเพ่งเวทนานะเราให้จิตจดจ่ออยู่กับเวทนาอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตก็รวมลงไปนะไม่จะตัดการรับรู้โลกภายนอกไปมันจะเบลอๆหรื อ, อหายไปเลยนะเหลือความรู้สึกตัวเหมือนครึ่งๆอ่ะ ค, ค, ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะนั่นะเป็นเรื่องของสมาธินะ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 ร่างกายก็ทำงานของร่างกายเวทนาก็ทำงานจิตก็ทำงานนะดูคนเราเชิญเ็าเห็นเขาทำงานของเขาเองแต่และตัวไม่ใช่รับสักตัวเดียวอย่านั้นจึงจะเกิดปัญญาอย่าไปเพ่งงนะ้นเพ่งเวทนาแล้วถ้าจะปฏิบัติ ด, ดูจิตของหลวงพ่อต่อไปนี่คือจะต้องไม่จำเป็นไงนะแค่ว่ามีจิตเป็นคนดูเราถนัดดูเวทนาแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาทำงานต่จิตเป็นคนดู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 ตั้งใจว่าจะปฏิบัติตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าช่างไม่ได้ผลช่างมันจะทำต่อไปเออต้องดังนั้นต้องใจขนาดนี้แหละใส่ใจไหมว่าขันมันแยกได้นะขันมันเริ่มแยกแล้วใช้ได้กล่าวธรรมนัสการหลวงพ่อปีติอีกและโชว์ครับปีติแล้วใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อนี่ให้รู้ทันใจใจไหลไปรู้ทันนะอไม่งั้นเดี๋ยวจะตายไปเป็นเทวดา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 นะครับพอเริ่มเริ่มสังเกตต yeah ัวเองก็จะเห็นความคิดที่มันว mm ิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําในรูปแบบนะครับพอทําในรูปแบบเสร็จพอสมาธินิ่งค huh ือพอตอนแรกก็คือใช้การนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นสารลักษณ์นะครับก็ดูลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจเข้าออกแล้วเบาเบานะครับแล้วก็มาจับที่ความคิดนะครับเราก็จะเห็นความคิดที่มัน วิ่งไปวิ่งมาบางทีก็ไปดูกกายบ้างใจบ้างคือสลับกันนะครับอะไรที่เราเห็นชัด<อ>ใจมันก็จะไปอยู่ตรงนั้น่นะแลล้วลพอหลังพอหลังจากนั้นคือสังเกตว่าความคิดจะเกิดขึ้นคือมันจะมีภาพขึ้นมาก่อนออืพอภาพปุบถ้าเกิดเราไม่ทันภาพภาพก็จะเล่าเรื่องที่เราคิดพอเราเห็นว่าจิตที่มีภาพเล่าเรื่องเสร็จภาพตรงนั้นก็หายไปก็จะก็จะมีความคิดใหม่เกิดขึ้นมา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 สิ่งที่ผมได้ปฏิบัติมาขอถวายเป็นพุทธบูชา<ม>สังฆบูาชาสาธุนะพุทธบูช า, นะ ธ, ชาธรรมบูชาและสังฆบูชาครับมบ ค, ครับสาธุสาธุกรบาบธรรมสการพ่อครับผมขอส่งกันบ้านนะครับผมจากการที่ได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้นะครับการเรียนรู้กายใจนะครับตามความเป็นจริง<ม>นะครับตลอด5เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจาก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 เกิดเดินไม่ได้ทํางานไม่ได้นะเราใช็้ขยับเนี้ยขยับขยับไปแล้วรู้สึกเอาขยับแล้วรู้สึกเอาคงยังมีแรงเหลืออยู่นะเ <c oughs> นี่ยเรารู้สึกอ่ะเห็นตัวนี้มันทํางานไปไี่ก็เห็นจะเห็นด้วยการกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำเนี่ยจะเห็นมันมีสิ่งของโยม่ะพื้นมันชี้โมโหนะเพราะฉะนั้นถ้ากวาดบ้านถูบ้านไปแล้วใจโมโหขึ้นมารู้ทันนะ ใจมีความสุขก็รู้ทันใจโมโหก็รู้ทันนะคอยรู้ทันใจไปด้วยต่อไปแก่แล้วลุกไม่ได้ใจเป็นญหงุดหงิดรู้ว่างหงุดหงิดนะมาดูจิตต่อไปเลยหลวงพ่อเคยอเออบอกให้ดูตัวอยาว่างเพราะตอนนั้นได้สงการบ้านแล้วก็ดูก็เห็นชัดขึ้นนั่นแหละนะจิตมันก็พัฒนาขึ้นรู้สึกไหมล่ะใจมันก็คลายออกเงินเบาคลายออกแล้วจะพอะหลวงพ่อ ถ้าสมมติเพราะเราต้ไม่ได้ยินอ่ะยกมาอย่างนี้พราเราแบบปกตินี่จะต้องเดินทํางานอะไรอย่างเงี้ยหากถึงจะรู้สึกตัวได้ดีนะคะหัดใหม่ๆก็อาจจะอย่างนั้นนะแต่ต่อไปพอชํานาญขึ้นเนี่ยทยํา า, า้ขยับตัวนิดเดียวก็ ก, ก็รู้สึกแล้วละ่ะทําอย่างนี้มาหลายปีหกปีแล้วค่ะก็ยังเป็นอย่างเางี้ยค่ะเนี่ยให้ดูทันใจนใจเรามีโทสะแทรกเห็นไหมมันไม่ได้อย่างใจรู้สึกเงี้ยให้เรารู้ทันใจเข้าไป รไปด้วยใจที่สบายๆดูไกลแล้วก็ดูใจตอนนี้ดูใจไหวแล้วดูใจไปดูใจได้โยมปฏิบัติมาถูกต้องแล้วนะคะถูกพ่านาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วกราบในพัสกาของพ่อค่ะโยมเห็นไหมละ่ะเวลากวาดบ้านถูบ้านอ่ะไอตัวที่กวาดบ้านอ่ะมันถูกรู้ใจเรากร่างกายนะคนละอันกันนะ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 ก็เลยใช้บริกรรในชีวิตประจาวันค่ะก็ช่วงหลังพอตื่นขึ้ น, นมาจิตก็ไปจับคาบริกรรมค่ะแล้วก็พบว่าเมื่อก่อนนี้เห็นแต่ความโกรธค่ะช่วงหลังเห็นความอยากอพอรู้สึกเลยว่าพออยากปุ๊บก็ทุกปับ๊บคะ่ะที่หลวงพ่อเทศตะกี้นะพออยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเลยค่ะก็ปฏิบัติไปอย่างเงี้ยทุกวันค่ะหลวงพ่ อ, อ ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมทำถู ก, กแล้วนะทำถูกแล้วทำไปสม่ำเสมอทุกวันทำอย่างนี้แหละนะแล้วจิตเข้าพัฒนาของเขาเองแหละนะรับน้ำมัส ก, การใช้ได้นะรู้สึกไหมใจมันผ่งใสวัตรกร น, นะกลับน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะ เ, เริ่มปฏิบัติมาห้าเดือนแล้วนะคะเออตามรู้ลมหายใจแล้วก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงะะมีวันหนึง่งตกใจมีคนมาเคาะประตูอะคะ่ะกำลังนั่งสมาธิแล้วมองมองเห็นขาเป็นท่อนๆมะคะ่ะเห็นอะไรนะขาค่ะเห็นขาขาลุกขึ้นค่ะจะไปเปิดประตูก็เลยเดินไม่ได้อะคะ่ะก็เห็นขาเป็นท่อนๆเออขาไม่ใช่เราหรอกแล้วก็ดีอยู่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 คนชัางโกรธค่ะออกกันบ้านนะคะได้ทำอีกทำถูกแล้วนะส่วนโยมเนี่ยคอยรู้ทันปีติไว้นะโอ้เจอโล่ะแล้วปีติลูกเดียวนี่ขอบคุณค่ะกลับนัสการพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์มาหลายปีครับก็ในรูปแบบก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งทำสมาธินะฮะ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 ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนคนได้เร็วมากเลยนะสังเกตไหมใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยต่างกันล ะ, ะปัญหาก็ยังมีอยู่ ห, หมความทุกข์ก็มีอยู่นะแต่ ใ, ใจมันอิสระมากขึ้นมากขึ้นนะดีทำถูกแล้วขันก็แยกแล้วนะรู้สึกไหมค่ะแต่รู้สึกว่าจะปิดดบีะค่ะหลวงพ่อนะช่วงนี้เราก็จะเห็นทันว่าแบบ ตัวเองดีจังอะไรเงี้ยค่ะเหมือนประมาณมี้นั่นแหละถูกแล้วล่ะนะไปฝึกไปมีคำฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะ <S <S คพุทมาสการของพ่อค่ะตอนบ้านเขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันโล่งๆว่าอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยกลับไปดูก็รู้สึกว่าตั้งมั่นขึ้นหน่อยนึงก็ทซาว่าถูกหรเปล่าคะถูกนะอย่าให้จิตไปอยู่ข้างนอกนะ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 มันก็รวมมาเป็นตัวเรามันเดิมเออครับก็เลยไอท้ที่คิดว่าทำถูกมาตลอดเนี่ยพอไปเห็นภาพตรงนั้นเพเข้าใจเลยอ๋อมันมันอย่างงี้นี่เองตอนนี้ก็เลยมามาันมาพยายามทำทาในรูปแบบแล้วก็อยู่ในในกรรมฐานของตงัวเองไปเรื่อยๆก็ <Yeah. S 2> เกไปเรื่อยๆดูๆนะดูธาตุดูขันเ้วทำงานเรื่อยๆนะครับใจเราเป็นแค่คนดู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 มันไม่หยุดเลยนะมันจะวนอยู่งั้นนะมีแต่สมถะดีไหมครับสมถะเอาไว้พักผ่อนเวลาดูตัวมันไหวแว๊บๆไปด้วยนะับแล้วเหนื่อยเราก็ทําสมถะนะมีแรงก็มาดูดูห่างๆใจเราไม่เข้าไปคลุกกับมันของคุณดูห่างๆเป็นและแต่แต่พอดูถ้าไปคลุกเมื่อไหร่มันความเมนโกรธมันจะเร็วกว่าเดิมใช่มันจะเข้ามาสู่ใจเลยครับดูห่างๆดูไม่คนมองนอกแต่ไม่ได้รักษาให้ห่างนะ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 ยถาวาริวะหาปูราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวาีโตทินังเกตานางอุปะกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกพวะาาพิวาธนาศิลิสนิจังมุทภาพ ย, ายิโนจตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพะลัง<า>พวกเรามีโอกาสดีกว่าคนต่างชาติเยอะนะคนประเทศอื่นอะไรเนี่ยเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาก็ยังอุตสาห์ฟังนะรงนี้ งั้นพวกเราฟังรู้เรื่องก็ขยันภาวนาหน่อย